สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาต น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้จะขออนุญาตขยายความในกฎข้อที่12ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อจากเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่2ครับพระธรรมยากอบบทที่2ผมจะขออ่านจากตั้งแต่ข้อที่14นะครับเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงข้อที่24ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องของข้าพเจ้าแม้ใครจะกล่าวว่าตนมีความเชื่อแต่ไม่ได้ประพฤติตามจะมีประโยชน์อะไรความเชื่อนั้นจะช่วยให้เขารอดได้หรือถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขาดแคลนเสื้อผ้าและอาหารประจำวันแล้วมีใครในพวกท่านกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าขอให้กลับไปอย่างเป็นสุข ให้อบอุ่นและอิ่มหนำสําราญเถิดแต่ไม่ได้ให้สิ่งจําเป็นฝ่ายกายแก่พวกเขาจะมีประโยชน์อะไรทํานองเดียวกันลําพังความเชื่อถ้าไม่มีการปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่ตายแล้วแต่บางคนจะกล่าวว่าท่านมีความเชื่อและข้าพเจ้ามีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านโดยไม่มีการประพฤติสิ แล้วข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าโดยการประพฤติท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสัน่นคนโสดเขาเอย่ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรืออับราฮัมบรรพบุ佛陀ของเราถวายอิสอักบุตรของท่านบนแท่นบูชาจึงถูกชำระให้ชอบธรรม เพราะการประพฤติไม่ใช่หรือท่านก็เห็นแล้วว่าความเชื่อนั้นทำงานควบคู่กับการประพฤติของเขาและความเชื่อก็สมบูรณ์โดยการประพฤตินั้นและพระกัมพีก็สำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าเขาชอบธรรมและเขาได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้าพวกท่านก็เห็นแล้วว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชาระให้ชอบธรรมได้ก็เพราะการประพฤติ ไม่ใช่เพราะความเชื่อเพียงอย่างเดียวพี่น้องครับผู้รู้นั้นได้แบ่งความเชื่อออกมานะครับเป็น4ประเภทด้วยกันประเภทแรกปรากฏอยู่ในข้อที่19ครับนะกรอบนั้นทำให้เราทั้งหลายรู้ว่ามีความเชื่อประเภทแรกประเภทที่1ครับก็คือเชื่อแบบเรียกว่าแบบผีปีศาจ คำว่าเชื่อแบบผีปีศาจนั่นก็คือว่าในข้อ19บอกว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้ามีเพียงองค์เดียวนั่นก็ดีแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่เชื่อนะครับแบบผีก็คือเชื่อเฉยๆครับความเชื่อนั้นไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเขาเลยนะครับเชื่อเฉยๆแม้พวกผีก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวครับ นันปรากฏอยู่ในข้อที่สินะครับแม้พวกผีก็เชื่อและกลัวจนตัวสั่นว่ามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวความเชื่อนี้ไม่ได้นําไปถึงความรอดเลยนะครับแต่ความเชื่อที่จะพูดต่อไปตั้งแต่ประเภทที่2 3งสต่อไปนี้นะครับเป็นความเชื่อที่นําไปถึงความรอดความเชื่อที่สองนี้เราเรียกว่า faith ซึ่งแปลว่าความเชื่อศรัทธา อย่างแรกเชื่อเฉยๆอย่างที่2นั้นก็คือเชื่อศรัทธาหรือ f a i นะครับเชื่อแบบเชื่อศรัทธาหรือ f a i นั้นก็ปรากฏอยู่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8พี่น้องครับข้อที่8และข้อที่9ของเอเฟซัสบทที่2นะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วโดยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ได้มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประธานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทําเพื่อไม่ให้คนใดอวดได้อันนี้อยู่ในฉบับที่2011นะครับพี่น้องครับถ้าเราดูใน1 9ึ่งหลายหลายท่านอาจจะคุ้นเคยและท่องได้ด้วยว่าซึ่งท่านหลายรอดนั้นก็รอดโดยเพราะคุณเพราะความเชื่อด้วยว่าซึ่งท่านหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่ อ, ววล อ, อ, ดดอและ มิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้พี่น้องครับผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งครับข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมากครับด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อและมิใช่ตัวท่านทั้งหลายกระทำเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้ เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้พี่น้องครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษนะครับเราเห็นคำว่า faith นะครับพระคัมภีร์ฉบับ English Standard Version นะครับบอกชัดเจนเลยครับเราได้รับความรอดเพราะความเชื่อนะครับ For by grace you have been saved through faith By grace you have been saved True faith เพราะนั้น faith นี้คือแปลว่าความเชื่อศรัทธานะครับขออนุญาตแปลเป็นอย่างนั้นเลยครับว่าความเชื่อศรัทธานะครับนั่นเป็นประเด็นที่2หรือความเชื่อประเภทที่2ครับความเชื่อนี้ทําให้เราทั้งหลายได้รับความรอดไม่ใช่การกระทํานะครับพี่น้องครับโจรบนไม้กางเขนมี faith นะครับมีความเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ เขาถึงได้ขอด้วยคําอธิษฐานวิงวอนบนไม่เกางนว่าขอพระเยซูละลึกถึงข้าปรงเมื่อพระเยซูจะเสด็จสู่เมืองบรมสุกเกษมพี่น้องครับนั่นคือเฟสนะครับเราไม่ต้องได้รับความรอดด้วยการกระทําแต่เรารอดด้วยความเชื่อศรัทธาครับนั่นเป็นประการที่2ประการที่3ครับใช้คําว่า เชื่อและไว้วางใจเชื่อแบบวางใจหรือเรียกว่า trust นะครับพี่น้องครับเชื่อแบบไว้วางใจหรือท trust นี้นํามาซึ่งสิ่งดีหลายประการในชีวิตของคริสเตียนครับเ พ, พระเจ้านภรเจ้าปรากฏอยู่ในพระนามเสดุจดีบทที่9ข้อที่10โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์วางใจในพระองค์ข้าแต่พระยาเวเพราะพระองค์ ไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์พี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามที่รู้จักพระนามของพระองค์วางใจในพระองค์พระองค์ก็จะไม่ได้ทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์มีหลายข้อครับตัวอย่างอยู่ในพระธรรมสุริยบุตรที่13ข้อที่5ครับเสดุดีบทที่13ข้อ ท, ที่ 13, 5 แต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมยนปรีในการช่วยกู้ของพระองค์โปรดฟังขั้นหนึ่งครับแต่ข้าพระองค์ได้วางใจในความรักมั่นคงของพระองค์ใจของข้าพระองค์จะเปรมยนปรีในการช่วยกู้ของพระองค์พี่น้องครับเราจะสังเกตได้ว่า trust นี้หรือความเชื่อแบบไว้วางใจนำไปถึงความเปรมยนปรีครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะได้รับการช่วยกู้จากองค์พระบุญเจ้าของเราสดุดีบทที่56ข้อที่3เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์ When I am afraid I put my trust in you When I am afraid I put my trust in you พี่น้องครับ ความเชื่อแบบไว้วางใจนี้ทำให้เราหายกลัวครับและในเซอรดีบทที่84ข้อ1ิครับเซอรดิบทที่84ข้อ1ิพระเจ้าจอมโยธาความสุขเป็นของผู้ที่วางใจในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธาความสุขเป็นของผู้ที่วางใจในพระองค์พี่น้องครับเราเห็นนะครับ trust นามาซึ่งพระพร trust นำมาซึ่งความสุข trust มานำมาซึ่งความหายกลัว trust นำมาซึ่งพระพรครับพี่น้องครับถ้าเรามีความเชื่อที่เพิ่มขึ้นจาก faith มาเป็น trust สิ่งดีๆจากพระเจ้าจะตามมานั่นเป็นพระพรครับ trust นำมาซึ่งพระพรและนำมาซึ่งความสุขสุดท้ายครับความเชื่อประเภทที่สี เราเรียกว่าเชื่อและทําตามนะครับเชื่อและทําตามนั่นก็คือการเชื่อในระดับที่ดีที่สุดนะครับระดับที่สูงที่สุดให้เรากลับมาดูในพระธรรมยากอบบทที่2นะครับพระธรรมยากอบบทที่2เมื่อกี้นี้เราได้อ่านไปแล้วข้อที่20นะครับคนโฉดเขาเอย๋ยท่านต้องการให้พิสูจน์ว่าความเชื่อที่ไม่มีการประพฤตินั้นไร้ผลหรือ จากนั้นท่านยากบก็ยกตัวอย่างอับราฮัมถวายอิสอักบุตรของท่านบนแท่นบูชาก็ถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติหลังจากนั้นท่านก็ยกนางราหบหญิงโสมเพนีครับถูกชำระให้ชอบธรรมเพราะการประพฤติพี่น้องครับกายที่ปราศจากจิตวิญญาณ น, นั้นตายแล้วอย่างไรความเชื่อที่ปราศจากการประพฤตินั้นก็ตายแล้วอย่างนั้นพี่น้องครับแท้จริงแล้วเราไม่สามารถ จะแยก2 3 4สออกจากกาันอย่างเด็ดขาดได้แต่เป็นกระบวนการขั้นตอนจากความเชื่อศรัทธานำไปสู่ความไว้วังใจและจากการไว้วังใจก็นำไปสู่ความประพฤติพี่น้องครับเราเหียนนะครับว่าความเชื่อตรงนี้นะครับเป็นแพ็ k เกจแตเ่เป็นความเชื่อที่จเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อนี้นะครับเมื่อเราเริ่มต้นจากความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า เราก็จะเห็นผลต่อมาก็คือเราต้องไว้วางใจและสุดท้ายครับเราต้องทำตามนั่นคือความเชื่อที่พระเจ้าต้องการครับจากพระเจนาของพระเจ้าในเช้าวันนี้ทำให้เราเห็นชัดเจนว่าความเชื่อนั้นจาก4ประเภทนั้นสรุปแล้วก็เหลือสองประเภทครับก็คือความเชื่อที่ไม่ได้นำไปถึงความรอดและอีกประเภทหลังก็คือความเชื่อที่นาไปถึงความรอด ประกอบด้วยความเชื่อแบบแพ็กเกจก็คือเริ่มต้นจากเฟสนะครับคือการเชื่อศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระบูญเจ้าของเราเราต้องเชื่อว่าพระเยซูนั้นได้สิ้นพระชนเพื่อเราบนไม้กางเขนครับและใครก็ตามที่อยากจะได้รับชีวิตนิรันต้องเชื่อมีแลมีเฟสถ์ในองค์พระเยซูคริสต์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเปิดใจออก ยอมรับว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดครับและตัดสินใจติดตามพระองค์ตลอดชีวิตนั่นคือเฟสต่อมาครับพัฒนาขึ้นมาเป็นทรัสก็คือเชื่อวางใจเชื่อวางใจนั้นทําให้เราหายกลัวเชื่อวางใจนั้นทําให้เราทั้งหลายได้รับพระพรมากมายสุดท้ายก็คือเชื่อฟังคำครับเชื่อและทําตามเชื่อโดยการประพฤติ พี่น้องครับนั่นคือแพ็กเกจของความเชื่อซึ่งผมอยากจะนำมาแบ่งปันให้พี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยพัฒนาเราทั้งหลายให้เรามีความเชื่อที่นำไปถึงการประพฤติเชื่อและฟังคำนะครับเชื่อและฟังคาเชื่อและทาตามครับเชื่อฟังอามน